ถ้าเคยฟังหลวงพ่อสอนน้าก็จะเข้าใจไม่ยากหรอกจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากการปฏิบัติเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองฉการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้กายใจของตัวเองเรียนรู้เพื่ออะไรเราเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรู้ความจริง เร่องเรามารู้กายรู้ใจก็เพื่อจะได้รู้ความจริงของกายของใจถ้าเรารู้แล้วนะมันจะปล่อยวางความยึดถือในใกายในใจนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนบอเพราะรู้ตามความเป็นจริงนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงนะจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพรหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะ ชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการที่ต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเสร็จแล้วกิจที่ต้องทําเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอีกแล้วถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องทําอีกไม่เหมือนงานทางโลกงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดเราไปทํางานได้เงินมาก็ามากินมาใช้หมดไปก็ต้องไปทําอีกหรือทํานาปีนี้ทํานาปีหน้าก็ทํานาไม่รู้จักจบจักสิ้น งานทางธรรมแล้วมีที่สุดมันเริ่มจากการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหมดความรักใคร่หวงแหนในกายในใจนี้แล้วก็หมดความยึดถือจิตก็เป็นอิสระต่อไปร่างกายแก่จิตก็ไม่กลุ่มใจร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตก็ไม่กลุ่มใจจะพลัดพรากจากสิ่งที่รั ก, กจะเจอสิ่งที่ไม่รัก ก็ไม่เสียใจไ ม, ไม่เดือดร้อนใจสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยังมีความสุขงั้นงา น, งานเรียนรู้กายใจตัวเองเป็นเรื่องใหญนะ่เป็นศาสตร์ที่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบต้องเรียนเราเรียนวิชาอื่นทางโลกมาตั้งเยอะแยะเพื่อจะมาทำมาหากินทำมาหากินก็ได้ข้าวได้อาหารได้เสื้อผ้าได้ที่อยู่ได้อะไรนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลงครอบครัว ก็ได้แค่นั้นสุดท้ายก็ว่างเปล่าสุดท้ายเวลาตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวธรรมะเรามาเรียนรู้กายรู้ใจนะเรามีความสุขเราพ้นจากความทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ภาวนาชาตินี้แล้วชาติหน้าสบายไม่ใช่ถ้าภาวนาเป็นเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นเลยมีความสุขเมื่อนั้นแนะ่ะ นี่คำว่าพอนับเป็นก็เป็นลำดับลำดับไปเบื้องต้นได้โสดาบันต่อไปเป็นสักขาคามีเป็นอนาคามีเป็นพระอราหันต์เวลาได้โสดาบันก็ไม่ใช่ว่าความทุกข์หายไป 25% าเอรเอย่าไปหารแบบบรรยัติตรยางนะไม่ใช่หรอกหายไปเยอะเลยจิตใจมัมีความอบอุ่น มันมีความรู้สึกเหมือนเรารู้แล้วเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่แต่เดิมเป็นเด็กจรจัดจรจัดไปในสังสารวัตเที่ยวไปเหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่ไม่รู้เลยใครเป็นพ่อเป็นแม่เราพอได้โสดานนะเรารู้แล้วว่าบ้านเราอยู่ทางไหนเราหลงทางมานานแนละ้วบ้านเราอยู่ทางไหนไปทางไหนจะไปได้อย่างไร เรารู้ว่าเรามีพ่อมีแม่นะคือพระพุทธเจ้าเรามีพี่มีน้องหรือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมันมีความอบอุ่นใจไม่ใช่ชีวิตรไร้ทิศทางความทุกตกหายไปมากทุกวันนี้พวกเรามีความทุกข์ลึกๆอยู่อย่างหนึ่งนะคือเราเหงาถึงเราอยู่กับพี่น้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับผู้คนมากมาย เรื่องเเราก็เหงาแล้ววันข้างหน้าต่อไปเนี่ยเหงายิ่งกว่านี้อีกเพราสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่เดิมเป็นสังคมเกษตรครอบครัวที่มีคนมากๆเนี่ยดีได้ช่วยกันทําไรทํานาทุกวันนี้ทุกคนแยกย้ายกันไปหมดมีลูกสดชื่นอยู่ไม่กี่ปีลูกก็ไปเรียนหนังสือแล้วบางคนไปเข้าโรงเรียนประจำไม่อยู่กับพ่อกับแม่แะถึงลูกยังอยู่กับเรานะ โอกาสเจอลูกวันหนึ่งก็มีน้อยเต็มทีแล้วเช้าขึ้นมาพ่อกับแม่ไปทางลูกก็นั่งรถโรงเรียนไปบ้างอะไรบ้างกว่าพ่อแม่จะกลับมาลูกก็หลับไปแล้วบางทีเนี่ยทุกวันนี้คนมากนะแต่เหงาแล้ววั น, นข้างหน้าเนี่ยอยู่กันสองคนสามีพัญญาบางคนไม่มีครอบครัวโอ้อยากมีจะได้ไม่เหงาไม่ใช่หรอก อยู่กันสองคนไม่นา น, นก็เหลือคนเดียวบางทีมันก็ทิ้งเราไปนะมันก็เบื่อเราเหมือนกันก็ทิ้งเราไปบางทีก็ตายจากกันจากเป็นก็ได้จากตายก็ได้เหลือคนเดียวคราวนี้แย่แล้วในวันข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยสูงมากเลยทั้งๆ ท, ที่มีลูกหลายคนหรือมีสามีมีพัญญานี่แหละ สุดท้ายก็อยู่คนเดียวย่าเว้นไปรถความตายพร้อมๆกันนะให <c oughs> <c oughs> ้เราเตรียมรับสถานการณ์ไว้นะเราต้องอยู่ได้ถ้าเราได้ธรรมะแล้วเราอบูนนะเราไม่ใช่คนหัวเดียวกระเทียมรีบอีกต่อไปแล้วละถึงเราอยู่ตามลําพังเราก็อบูนใจเรามีพ่อมีแม่เรารู้ว่าเราไม่ใช่เด็กอนาถาจรจัดเรารู้ ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนเรากำลังเดินไปกลับบ้านเราบ้านเราที่พ่อแม่พี่น้องเรารออยู่ยการภาวนานเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนการกลับบ้านหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆนะอยู่ที่บ้านไหนเราจะมีความสุขนะสักพักหนึ่งอะ่ะก็จะรู้สึกว่าต่อไปต้องไปจากตรงนี้ตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยนะ แต่เด็กๆเลยถ้าไฟต้องไปจากตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงหรอกตรงนี้ยังอยู่ชั่วคราวนะย้ายบ้านไปเรื่สบายอยู่พักแล้วก็รู้สึกนี่ตรงนี้ก็บ้านชั่วคราวนะย้ายมาเรื่อยๆนะหลายบ้านก็มีความรู้สึกอย่างนั้นตลอดเลยตอนมาบวชบวชใหม่ๆก็รู้สึกนี่ก็บ้านชั่วคราวเหมือนกันก็นะนะรู้สึกอย่างนั้นนะ ต้องค่อยๆภาวนานะจะได้เจอบ้านตัวจริงเจอแล้วใจมันอบ่นมีความสุงมากเลยไม่มีควาาว่าเหงาไม่มีอีกต่อไปมีแต่คำว่าเต็มคำว่าอิ่มคำว่าพอสมบูรณ์อยู่ในตัวเองครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะว่าภาวนาไปถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนะีโอมันเต็มมันอิ่ม อยู่กับพรนิพพานจิตมันทรงพระนิพพานอยู่ไม่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของนะสัมผัสพนิพนพานมีความสุขมหาศาลในโลกเราอยู่ตัวไหนเราก็อยู่ชั่วคราวเราอยู่กับใครเราก็อยู่ชั่วคราวกระทังร่างกายนี้ก็ของชั่วคราวอีก ไม่นานก็แตกสลายบางคนแตกเร็วกว่าที่คิดมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งนะแข็งแรงดีมากเลยสดใส ร, ร่าเริงเตรียมมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แหละที่เห็นสร้างบ้านอยู่เนี่ยไปตรวจร่างกายนะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอยู่ได้เดือนเดียวตายชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะบางทีก็พลัดพลากตัวเราเองเป็นฝ่ายพลัดพราก จากสิ่งที่เรารักไปอยู่นานไปสิ่งที่เรารักก็พลัดพรากจากเราไปธรรมะนี้แหละจะช่วยเราได้ช่วยให้เราเต็มช่วยให้เราอิ่มธรรมะอันวิเศษที่สุด ค, ค, คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองนี่แหละพอรู้ตามความเป็นจริงพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น พอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีก เ, เข้าสู่ความเต็มความอิ่มเพราะพวกเรามีสิทธิ์ที่จะทำได้ทําไมพวกเรามีสิทธิ์จะทําได้ัแรกเราเป็นมนุษย์เราอยู่ในสุขติภูมิเราเป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่บ้าใบบอดหนวกมาแต่กาเนิดอย่างคนหูหนวกคนตาบอดมาแต่กาเนิดเรื่องอาพาบุคขนภาวนาไม่ขึ้นภาวนายากเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เรียนเรียนยากพวกเราไม่ได้บ้าใบบอดหนวกมาแต่กาเนิดแถมเป็นมนุษย์ด้วยอาการ32ครบไม่ได้พี่คนพิการอะไร เรามีต้นทุนต้นทุนที่ดีศาสตร์แห่งการ ร, รู้กายใจตัวเองนะศาสตร์ของพระพุทธเจ้าศาสตร์ที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงในความเป็นจริงแล้วศาสตร์ทั้งหลายเขาก็อยากพ้นทุกข์นั่นแหละคำสอนของศาสดาทั้งหลายเขาก็อยากพ้นทุกข์อย่างศาสนาคริสต์เขาก็อยากพ้นทุกาาขกกกนะ์มีความรักเพื่อนมนุษย์อะไรเงี้ย มีคําสอนหวังว่าจะพ้นทุกศา ส, สนาอื่นๆก็หวังว่าจะพ้นทุกเหมือนกันจะพ้นไม่พ้นก็ค่อยรู้เอาสารแทงการพ้นทุกนะ ม, มีบทเรียนสามบทสมขั้นตอนก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กายรู้ใจได้นะีจิตใจต้องอยู่กันเนื้อกับตัวนั่นเราต้องมาเตรียมจิตใจของเราก่อน การจะเตรียมจิตใจนีเขาเรียกว่าจิตสิกขาเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่ก่อนที่จะมาทำจิตสิกขามาเตรียมความพร้อมของจิตใจได้ <_ d ata> ก็ต้องมาสร้างเงื่อนไขที่เอิ่ออหนวยให้จิตใจเนี่ยมันสงบตั้งมั่นได้ง่าย ก็คือการควบคุมกายควบคุมวาจาของเราให้มันเรียบร้อยไม่ให้มันวุ่นวายมากการจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยในเกื้อกูลที่จะทำให้ไปสู่การจัดระเบียบจิตใจให้สงบให้ตั้งมัน่นพอจิตใจสงบแล้วตั้งมั่นแล้วก็มีกำลังที่จะมาเรียนรู้กายใจการจัดระเบียบร่างกายนะกายกับวาจาเนี่ย ก็อยู่ในบทเรียนชื่อว่าศีลสิกขาการจัดระเบียบจิตใจอยู่ในบทเรียนชื่อจิตศิกขาการใช้จิตใจที่มีกําลังมีความถูกต้องแล้วนะไปเรียนรู้ความจริงของรูปนํากายใจเรียกว่าปัญญาศิกขานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้พวกเราให้พวกเราไม่ได้บ้าใบาบอดหนวกนะมีสุขภาพดี แถมยังมีศรัทธาสนใจไม่ให้มีศรัทธาเลื่อนเลื่อนอยๆด้วยนะเรายังมีโอกาสได้เข้าใกล้สัตบุรุษเมื่อเข้าใกล้สัตบุรุษแล้วได้ฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็เหลืออันเดียวคือลงมือปฏิบัติธรรมพวกเราผ่านการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่คัดเลือกมาเข้าคอร์สนะเข้าคอร์สก็ธรรมดาหรอก แต่เราผานการคัดเลือกมาตั้งแต่เราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บ้าใบปอดหนวกมาแต่กำเนิดเรามีศรัทธาในเบื้องต้นเรามีโอกาสมีบุญวาสนาได้เข้าใกล้สัตบุรุษคือคนที่จะสอนธรรมะเราเรามีความตั้งอกตั้งใจเรียกว่าเงี้ยโสดลงมาสดับคือตั้งใจฟังตั้งใจเรียนรู้ เรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเหลือขั้นสุดท้ายนเะป็นลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำงั้นเราผ่านด่านที่ยากเย็นมาตั้งเยอะแล้วกว่าจะเป็นมนุษย์ได้ยากนะคนในโลกมีตั้งเท่าไหร่คนที่มาเกิดแล้วก็ได้ยินคำว่ า, าศาสนาพุทธไม่มีเท่าไหร่มีนิดเดียวถ้าไม่ใช่พุทธกระจอกเพศพุทธแต่ชื่ อ, อยังสนใจ สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้สนใจแล้วเจออาจารย์อีกนะแล้วพิสูจน์เอานะอย่าเชื่อถ้าเชื่อเราโง่พิสูจน์เอาด้วยกันตั้งใจฟังที่หลวงพ่อสอนแล้วไปลงมือทําแล้วดูผลจากการปฏิบัติของเราว่าจริงหรือไม่จริงที่สอนถ้าจริงแล้วคราวนี้มันจะเชื่อจริงๆแล้วตอนนี้น้อมใจเชื่อไปก่อนก็แล้วกัน ลองไปทดสอบดูสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ดูว่าจริงหรือไม่จริงเป็นไปได้หรือวัตฏะหมุนอยู่กลางหน้าอกเราไหว ย, ย, ยิบยับยิบยับยิบยับหยือทั้งวันทั้งคืนเป็นไปได้หรือเป็นไปได้หรือขันมันแยกได้เป็นไปได้หรื อ, ไไร อ, ไไรอจิตมันถอยออกมาเป็นคนรู้คนดูโดยไม่เจตนาเป็นไปได้หรือที่เห็นไตรลักษณ์โดยไม่ได้คิดเอา เป็นไปได้หรือที่จิตวางขันเป็นลำดับลำดับไปนะลองดูลองดูว่าจริงหรือไม่จริงอย่าเชื่อนะแต่หลวงพ่อท้าให้พิสูจน์ถ้าแน่จริงก็ลองรับคำท้าลองทำดูสิ่งที่เราจะทำเรียกว่าศีลสิรรกขาจิตศิกขาปัญญศิกขาหน้าที่ของเราคือศิกขาศิกขาแปลว่าอะไรแปลว่าศึกษานั่นเองนะภาษา สันสกฤตเรียกศึกษาคนไทยไ่ใช้ศึกษาสาบาลีเรียกว่าศิขขาเราจะเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องการเจริญปัญญาสามบทเรียนถ้าสอบผ่านสามบทเรียนนี้จะเป็นพระอรหันต์ฟังแล้วเขหมมีบทเรียนอยู่สามบทเองหมูจะตายสามบทเองเห็นไม แล้ต้นทุนเราก็มีเยอะและเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใช่สนใจได้ฟังธรรมได้เข้าใกล้สัตว์บุรุษได้ฟังธรรมเหลืออันเดียวเหลือปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติสามบทเองศีลศิขาจิตสิขาปัญจศิข า, า, ขาแล้วก็จริงๆไม่ยากเลยการจะเรียนศีลเรียนเรื่องจิตเ ร, เรื่องปัญญานะั้น อุปกรณ์ในการเรียนนะของเราเรียกว่าสติกับสมาธิที่จริงคือสตินะนะั่นแหละตัวสำคัญที่สุดเลยส่วนสัมปชัญญะก็เป็นตัวสำคัญอีกตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวบอกเราว่าต้องทำอะไรนะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นรู้ว่าเราต้องทาอะไรเราจะต้องมีสีรสิกขาจิตสิกขามีปัญญาสิกขาเราไม่หลงลืม การเรียนเรื่องศีลสิขาจิตสิขาปัญศิขานี่เรียกสัมมชัญญะเรียนด้วยอะไรเรียนด้วยสติมีสติยังไงจะมีศีลไม่ใช่เรื่องยากเลยนี่เหลือเวลาหนาทีหลวงพ่อจะสอนสศีลศิขาให้ในเวลาหนาทีเราก็จะไปทำได้แล้วเป็นบทเรียนที่ง่ายให้มีสติไ้คนเราทำผิดศีลเนี่ยเพราะกิเลสครอบงาจิต อย่างราคาครอบงำจิตนะเราทําผิดศีลได้ห้าข้อเลยเวลาราคาครอบงำนะบางทีเราก็ไปทําร้ายคนอื่นเขาได้นะอยากได้สมบัติเขาอยากได้ภรรยาเขาไปฆ่าสามีเขาเนี่ยทาร้ายเขาก็ได้ไปรักทรัพย์เขาก็ได้ไปประพฤติผิดในการมก็ได้ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้ไหมผิดศีลได้ทุกข้อเลยเวลาราคาครอบงำใจนะใจมีความสุขก็ดีก็ด่านิสัยคนไทยเวลามีความสุขต้องทำอะไร ต้องเลี้ยงฉลองต้องกินเหล้านั้นเวลามีราคาขึ้นมันก็กินเหล้าได้นะเสษยาเสพติดได้โอ้ยมันมากเลยเดี๋ยวนี้มียานาน า, นานชนิดนึกหลวงพ่อไม่รู้จักอ่านหนะังสือพิมพ์ดูนะไม่รู้จักแล้วยาบองๆอะไรมากมายเหลือเกินยาไอยาอะไรไม่รู้ไม่รู้จักแล้ ว, นะนลวหน้าตาเป็นไงไม่เคยเห็นแต่สุราเนี่ยเคยเห็นหรือเวลามีโทสะ เราทำผิดศีลด้ทั้งห้าข้อโกโรธเขวขึ้นมาก็ทำลายเขาได้ไปแย่งทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งหลอกลูกสาวเขาก็ได้ไปด่าเขาก็ได้ไปแกล้งชมเขาให้เสียคนไปเลยก็ได้ทำด้วยโทสะเวลาโทสะคลั่งําใจใจิตใจเศร้ามองเครียดกลุ้มกินเหล้าก็ได้นะเพราะฉั้นเวลาที่เรามีกิเลสนะตัวใดตัวหนึ่งนะราคาโทสะโมหะนะ มีโมหะเนี่ยมันทำผิดได้ตลอดนะเพราะมันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเวลาที่กิเลสครอบงําใจนะไม่ว่าราคาโทสะหรือโมหะเนี่ยเราจะทําผิดศีลได้แต่ถ้ากิเลสไม่ครอบงําใจจะไม่ทําผิดศีลโดยอัตโนมัติเพราะงั้นหน้าที่เรานะจิตมีราคาให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้ทัน จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ทันจิตโหดหูก็ให้รู้ทันจิตสงสัยก็ให้รู้ทันนี่เคยรู้ทันรู้อยู่แค่นิ่งจิตมีราคาโลภขึ้นมารู้ทันจิตมีโทสารู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตโหดหูรู้ทันจิตสงสัยรู้ทันรู้อยู่อย่างนี้แหละถ้าเรารู้ทันแล้วกิเลสจะดับอัตโนมัติเมื่อกิเลสดับแล้วศีลจะเกิดอัตโนมัติจบแล้วเรื่องศีลสิขาแค่นี้เอง แต่เวลาทําเนี่ยมันยากตรงที่สติมันไม่ค่อยมีโดยเฉพาะข้อสีปากของเราไวเร็วมากนะแป้นเดียวสีนี้เขาขาดแล้วก็วฝึกสติให้เร็วขึ้นเรืเร่อยๆใจอยากพูดรู้ว่อยากพูดอยากพูดแล้วรู้ทันมันจะคันๆ น, นะนจะคันๆในใจเวลาอยากพูดนะ่ะสังเกตไหมเวลาอยากอยากพูดเรียกคันคนโบราณเรียกว่าคันปาก ก่อนที่ปากจะคันนะใจมันคันก่อนนั้นเรารู้ทันใจมันคัน้ิอยากพูดเลยอยากพูดเลยนะรู้ทันอย่างนี้นะไม่ห้ามมันอย่าไปบังคับมันนะแค่รู้ทันมันมันดับเองเอ้าวไปกินข้าว